เมื่อเห็นคนทำผิดอยากด่าจะได้ดา่าและทำให้ใจกระด้างทั้งตัวเองและคนได้ยินอยากเปลี่ยนใจคนผิดจะได้คิดดีๆได้พูดดีๆทำให้ใจอ่อนโยนทั้งตนและคนฟังเมื่อใครทำผิดทำตัวเป็นภัยสังคมโดนเอาคลิปมาแชร์ว่าแผลผิดมนุษย์แถมแสดงอาการไม่สำนึกเหวี่ยงหมัดแยกเขี้ยวกัดมั่วสังคมมนุษย์ ยังรู้สึกต่อต้านหรือโกรธจัดรู้สึกตรงกันว่าอยากสั่งสอนให้สำนึกหรืออีกทีก็อยากขับไล่สส่งค่าที่หน้าด้านหน้าทนเกินมนุษย์หนาขนาดเนี้ยไม่มีทางกลับมาสำนึกอีกแน่ๆแล้วการร่วมกันประนามหรือการรุมประชาธันนับเป็นวิธีหนึ่งที่ธรรมชาติจะลงโทษคนผิดร่วมกันลงโทษแล้วสะใจแล้ว และสังคมได้อะไรบ้างนี่เป็นแค่ข่าวที่น่าเมา้าหรือน่าให้เป็นกรณีศึกษาคนส่วนใหญ่เห็นแล้วขยาดไม่อยากโกหกหรือไม่มีใครบ้างถูกกระตุ้นให้สำนึกถึงความผิดที่ทำไปนอกจากความสาใจที่ได้เห็นคนผิดวิบัตมีแสงแห่งความรุง่งเรืองอันใดงอกงามตามมาหรือไม่ จริงๆแล้วทุกคนรักตัวกลัวผิดแล้วก็เคยโกหกเอาตัวรอดขึ้นมาทั้งนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากทาผิดไปคือความสานึกเสียใจอันเป็นการทำงานของมโนธรรมตามธรรมชาติจริงอยู่ถ้าหน้าด้านระดับตํานานหรือโกหกตามไม่กระพริบระดับอาชญากรเทวดาที่ไหนก็เปลี่ยนใจเขาไม่ได้เหมือนเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า กวโกโหกจนชำนาญ น, นั้นที่จะทำชั่วอื่นใดไม่ได้นั้นไม่มีแต่ประเด็นคือถ้าใจเราไม่นึกอยากด่ายัางพอมีความอยากเปลี่ยนใจเขาอยู่บ้างเด็กๆใกล้ตัวจะได้ยินเสียงที่เจอด้วยเมตตาเสียงที่ชี้ทางสว่างเสียงที่มีเหตุมีผลน่าเข้าใจไม่ใช่เสียงแห่งโทสะอันน่ากลัวที่นาจดจำไว้ว่าถ้าถึงตาเขาทาผิดบ้าง ต้องซ่อนเร้นต้องปิดบังให้เนียนอย่าถูกจับได้อย่าปล่อยให้คลิปรั่วออกมาเป็นอันขาดไม่งั้นชะตาขาดเหมือนพวกละรลวมแน่โลกเปลี่ยนยากเมื่อมีแต่คนพร้อมจะด่าไม่มีคนพร้อมจะช่วยกันทำให้อะไรดีขึ้นเราเปลี่ยนใจคนหน้าด้านไม่ได้แน่ๆแต่ยังเปลี่ยนใจตัวเองเปลี่ยนใจเด็กๆรอบตัวไหว ขอแค่ถามใจตัวเองให้ได้คำตอบเธอว่าเกิดเรื่องพันนี้แล้วมีแต่ความอยากดา่าหรือยังเหลือความอยากเปลี่ยนใจคนอยู่ในเราบ้างอยากดา่าจะได้ดา่าและทำให้ใจกระด้างทั้งตัวเองและคนได้ยินอยากเปลี่ยนใจคนจะได้คิดดีๆได้พูดดีๆทำให้ใจอ่อนโยนทั้งตนและคนฟัง